พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่ามิจฉาทิฐินำทุกขมาให้เมื่อวานก็มีพระ เข้ามาหาชดทาญาติโยมด้วยก็ามาปลารบเรื่องเกี่ยวกับเจดีย์องหลวงตาแต่ลุงพ่อก็บอกว่ามีคนหลายคนพูดว่าสร้างเจดีย์ทำไมงบประมาณมากถึงขนาดนั้นแต่ลวงพ่อก็ให้ความเห็นในสาธารณชนทั้งกรุงเทพด้วยทั้งที่ไห น, ไหนถ้าใครถามลุงพ่อก็จะบอกเลยว่า การสร้างเจดีย์หลวงตาไม่ใช่สร้างให้ใหญ่แล้วก็ไม่ใช่สร้างให้เล็กสร้างให้มีคุณภาพสร้างให้มีคุณค่าถ้าสร้างใหญ่ๆเหมือนกับโกดังเก็บของนะที่หลังคาใหญ่ๆก็จะเกิดประโยชน์อะไรดูๆแล้วไม่ประทับใจเข้าไปเห็นแล้วไม่ประทับใจไม่ซึ้งในใจแต่ท่างเล็ ก, ลกสร้างขึ้นมาแล้วเหมือนสารพรภูมิเราจะไปทาอย่างนั้นได้ยังไง แล้วขนาดไหนแต่ที่พ่อบอกฮะําพอ่อหมอกับลูกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายลงมติกันเห็นพ้องต้องกันว่าขนาดไหนเหมาะสมในการที่จะทําเจดีถวายองค์หลวงตาเนี่ยแต่หลวงตาท่านไม่ได้สนหรอกท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วแต่พวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวกว่าใหญ่เดี๋ยวกว่าเล็กหลวงพ่อบอกแต่ตามไม่จริงให้ทรงคุณค่า เมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วใครมาเห็นอืพอใจประทับใจซึ้งในใจเอออย่างนี้สิจึงเหมาะสมสำหรับองค์หลวงตาเ<ะ>นี่ยแหละอันนั้นคือความถูกต้องเหมาะสมผู้ที่มาพบมาเห็นไม่ใช่มาเห็นอู้ใหญ่ ย, ยังไนใหญ่บ่เลือบบ่ใหญ่ไม่เข้าเรื่องเข้าราวเลย ท้ามาเห็นเล็กเกินไปก็โอ้ทำไมจึงทำเล็กถึงขนาดนี้ถึงขนาดทาขนาดกลางๆพอเหมาะก็เถอะโอ้ทำไมทาแล้วเห็นแล้วข้างในไม่มีสิ่งอะไรที่จะประทับใจเลยดูๆละเมื่อกันทั่วๆไปนี่แหละอันนี้จะทำยังไงจึงจะเป็นที่พึงพอใจให้ดีที่สุดแล้วของดีราคาถูกมีที่ไหน ของดีทรงคุณค่าราคาถูกมีที่ไหนพาไปดูซิหลวงพ่อพูดอย่างนั้นนะแล้วก็พร้อมกันย้ำอีกว่าใครก็าตามถ้าพูดออกไปไม่รับผิดชอบในคำพูดของตัวเองอยากจะพูดอะไรก็พูดไปอยากจะด่าใครก็ด่าไปอยากจะาหนิใครก็ตาหนิไปทำให้เสียหายอันนี้เราสร้างเจดีปูชาพระคุณของพระหันนะหลวงตาเป็นพระหันนะ เราจะพูดอะไรเราต้องคิดสัก่อนไม่ใหลวมปากก็พูดไปถ้าว่าใครก็ตามพูดไม่คิดพูดไม่อ่านหลวมปากก็พูดไปความเสียหายเกิดขึ้นไม่ได้คิดว่าอนาคตความเสียหายอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราพูดไปแล้วนั่นละระวังมะเร็งกินปากหลวงพอ่อระวังมะเร็งกินปากทำไมเอา้าพูดไม่ถูกก็เป็นบาปใช่ไหมละ่ะไม่ใช่หลวงพ่อชาบแช่งไม่ใช่ เบื่อกับตัวเองไปจับไฟนะถ้าใครไปจับไฟคนนั้นก็ร้อนเองเนีไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเนะี่ยถ้าเจ้าไปจับไฟหลวงพ่อจะแช่งถ้ามันร้อนนะไม่ใช่อย่างนั้นตัวเองไปจับไฟตัวเองกร้อนเองนี่ก็เหมือนกันถ้าตัวเองพูดไม่ถูกบาปกรรมที่พูดไม่ถูกตัว น, นั้นละ่ะมันจะวิ่งเข้ามาหาตนเองจะเป็นบาปเป็นบาปกรรมกับวาจาของตนเองนี่แหละสิ่งเหล่านี้การกระทํากรรมทําได้สามทาง กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมก็คือการกระทําทางกายวาจีกรรมคือคําพูดพูดออกไปเสียหายมโนกรรมคือแนวความคิดคิดขึ้นมาเป็นอกุศลซะก่อนยังค่อยพูดออกไปคิดไปในทางที่อิจฉาซะก่อนยังค่อยพูดออกไปคิดด้วยความโกรธซะก่อนยังค่อยพูดออกไปคิดในความรักซะก่อนยังค่อยพูดออกไปมันออกมาจากความคิดซะก่อน การกระทาจึงออกไปและก็วายจาคำพูดจึงออกไปเพราะนั้นถ้าพูดไม่ดีก็ใจคิดไม่ดีก่อนแล้วยังค่อยพูดทำออกไปใจคิดไม่ดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำเพราะนั้นต้องระวังใจสรุปแล้วก็คือให้ระวังใจของตนเองอย่าไปคิดในทางที่ไม่ถูกต้องเนื่งคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วการกระทาออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ การพูดออกไปก็เป็นมิจฉาทิฏฐิในครั้งพุทธการมีนะนางมาคันธิยานะแต่ตามไม่จริงถ้าพระพุทธเจ้าพูดท่านเป็นธรรมนะท่านเป็นธรรมทุกอย่างแต่ท่านมุ่งหวังคนหนึ่งแต่เพื่็ไปทำลายอีกคนหนึ่งในความรู้สึกกลองหลวงพ่อนะในพระไตรปิฎกเล่มนี้ในเรื่องนี้นะแต่เราก็ไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้า เพราะพวะพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่พวกเราทั้งหลายน่าจะนึกตามความเป็นจริงแต่ผู้ที่ได้ถูกกระทาหรือว่าถูกพูดไปนั่นเขาไม่ไปทำความเป็นจริงเพราะเขามีกิเลสเขามีกิเลสภายในใจเขาเลยสู้อย่างสุดๆเลยให้ข้าว่อผูกอาฆาตพยาบาทไปเลยไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านเห็นอุปนิสัยของพรามสองตายายสองตายายนี่ พระพุงค์นั่งสมาธิจวนสว่างท่านมองดูสัตวโลกมองไปเห็นสองตายายเนี่ยเออสองตายายนีย่เคยเป็นพ่อแม่ของเรามาก่อนในอดีตชาติคราวนี้เป็นคราวที่จะได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีทั้งคู่แต่เราควรจะไปปรดผู้มีพระคุณสำหรับเราทีนี้พระองค์ก็มองเห็นแล้วก็พราหมณ์คนนั้นก็ออกไปทําธุระทางนอก ยุยนทุละในท้องนาหรือวในป่าเนี่ยที่เป็นสวนของตนเองลักษณะอย่างนั้นนะท่าพุทธองค์เ็าไปคอยอยู่ที่นั่นพาราหมณ์ก็เดินเข้าไปก็ไปเจอโอ้สมณะคนนี้รูปร่างสวยเหลือเกินถูกลักษณะเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกับลูกสาวของเราพราหมณ์เห็น น, น่าจะเหมาะสมกับลูกสาวของเราลูกสาวของเราก็สวยงามที่สุดในเมืองนี้ไม่มีใครที่จะ สวยยิ่งกว่าลูกสาวของเราในขณะนี้พราม์นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าถูกอกถูกใจอย่างมากเพราะงั้นแต่ไม่มีที่ตําหน่งแต่คงจะเป็นอดีตชาติอีกต่างหากและกัในชาติปจุบันพระพุทธองค์ก็สวยงามอีกต่างหากนี่พรามก็บอกว่าท่านท่านรออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับไปบ้านจะเอาลูกสาวมามอบให้มาเสนอท่าน ท่านเหมาะสมที่สุดท่านไม่ใช่คนธรรมดาเนี่ยพนระามณรูแล้วครอยๆบอกพรามก็ดูหัวเฮ้งดูปุถิสาลักษณะดูหัวเฮ้งดูแล้วพอไปเห็นแล้วพ่อใจจะพาลูกสาวไม่ตกต่ําแน่ชายคนนี้ลักษณะอย่างงั้นท่ะานนี้ก็ขอให้รออยู่นี่ก่อนนะตอนนี้ก็กลับไปถึงบ้านแลื่ให้ลูกสาวแต่งตัวช่วยสวยหรูเลยและก็พาแม่บ้านมาด้วยพอมาถึง พราะพระองค์นีแหละขยับ อ, ออกไปอยากที่อื่นออกไปทั้งกเกียบเท้าเอาไว้เยียบรอยเท้าเอาไว้ในตรงนั้น่ะตรงที่ท่านนั่งเยียบลอยเท้ า, เาไว้ทั้งก็หายไปท่านน้นางพรามมณีคือแฟนของพราหม์ทั้งคนรู้ปุริสสาลักษณะเหมือนกันเรียนมาทางพราหม์เหมือนกันเรียนมาทางไตรเวทพอมาเห็นแทีท่ไหนที่ท่านว่าบุรุษที่จะเป็นว่าที่เขยของเรานะแต่นี้พราหม์เอ๊ะไปไหนวะ ผมก็บอกว่าให้ท่านอยู่ที่นี่ก่อนนะไม่เห็นเลยแต่เห็นตรอยของท่านนี่รอยท่านเหว่านางพรหมณีบอกว่ารอยลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่รอยผู้ที่อยู่ในโลกวัตะสงสารเป็นรอยผู้หนีจากโลกอันนี้คือรอยคนนี้ดูลักษณะลอยอย่างนี้ไม่ใช่ลอยผู้มีกามกิเลผู้หนีจากกามกิเลใดแล้วลอยอย่างนี้นางพระมณีก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ ว่า น, นั่นท่านจะเอาลูกสาวของเรามาให้แก่ผู้ที่หนีออกจากการมกิเลยแล้วไม่ถูกต้องนคะวามเห็นสองตายายกับค้านกันแล้วจากนั้นพระพุทธองค์ก็ท่านแสดงฤทธิ์ใช่ไหมท่านก็บอกมาให้เห็นเดินออกมาออกมาก็มานั่งที่เก่าออกมาที่ทั้งที่เก่าก็คุยนี่แหละพราหมณ์ก็เสนออะไรเนี้น่แะอันนี้แม่บ้านอันนี้ลูกสาวเนี่ยจะมามอบให้แกท่ท่านท่านเป็น บาทอะไรบริจารลิกาอะไรคือบอกให้เป็นแฟนของท่านเป็นเมียของท่านลักษณะอย่างนั้นอ่ะพูดตรงตรงเหมืนกันแต่พระพุทธเจ้าท่านทั้งที่ท่านจะยินดีหรือว่าท่านจะเทศสอนธรรมดาท่านเทศสอนอย่างหนักเลยทีเดียดูก่อนพราม์ทั้งสองเรานี่นะเราไปบําเพ็ญอยู่ที่โคลนต้นโพในคืนวันนั้นนางตัญหาอราคานางตัญหาราคาอรารดี มายุยวนเราเร า, เราได้เห็น เ, เมื่อเราเป็นฆราวาสเราก็ได้เห็นเมื่อเรามาบําเพ็ญสุดท้ายเราก็เห็นเพราะฉะนั้นความยินดีในการมกิเลล ข, ของเราไม่มีเสียแล้วเราเห็นคนทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นรูปสวยงามขนาดไหนก็เป็นอสุภะปฏิกูลทั้งหมดเป็นของที่ไม่พึงปรารถนาสําหรับเราเรามองเห็นใครก็ตามไม่ว่าแต่มือแต่เท้าของเราก็ยังไม่อยากจะแตก เพราะเป็นของปฏิกูลุทีนี้พอพรามณได้ยินนั้นนะ่ะร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวของเร า, าพรามไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็ไหลไปตามสภาพเพราะนั้นอย่าไปยึดว่าร่างกายเป็นของเราอีกสักวันหนึ่งนะต้องเผาไฟทิ้งแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นต้องคิดให้ตลอดพ่อพราหมกับสองตายายก็ น, นั่งฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าพอฟังจบได้สําเร็จเป็นพระอนาคามี นีคือไม่ลงมาเกิดอีกแล้วพอมรณาภาพไปก็ไปสู่ชั้นพรมนะเอาวิหาอัาตตาทุตสาทุเสียกนิฐานะพรมห้าชั้นพรมของพระอนาคามีท่านได้สำเร็จเป็นพระอนาคามีพระองค์เออจบแล้วส่งขึ้นฝังแล้วไม่มาเกิดอีกแล้วสองตายหญ่ที่เป็นพ่อของเราในอดีตชาติแต่ก็เรียกพระพยยุทธเจ้าว่าลูกลูก ต่นี้พวกก็เออลาล่านะว่าพามลับซะเราจะกลับแต่พอออกจากกันไปนั้นนะ่ะนางลูกสาวเนะี่ยมาคันธิญาณโอ้โหผูพยาบาทอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงเลยตอนนีน้ท่านสมณะองค์นี้ทำไมพูดถึงขนาดนี้ดูถูกเยยดยามเราขนาดหนักแต่ขนาดที่ว่าไม่ชอบแล้วก็เพียงแต่นั้นก็น่าจะพออันนี้ขนาดถึงว่าเท้าก็ยังไม่ยาวมาแตะ เอขนาดเท้าเรายังไม่มาแตะแต่ท่านก็ไม่ได้บมาแตะแต่นางมาคันตยานะถา้าใครก็ตามเอในจักรวาลในโลกนี้จะสวยขนาดไหนก็ตามเรามองเป็นอสุภะทั้งหมดขนาดเท้าเรายังไม่ใจะจะแตะนะแต่นางมาคันตยาก็ตีเข้าข้างตัวเองแหมเพราพระพุทธเจ้าไม่อยากจะแตะร่างกายเราเหมือนเป็นอสุภะปฏิกูลอย่างนั้น่เออเอาเถาอะงีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าได้โอกาส ข้าพเจ้าจะจัดการกับสมณะโคดมองนี้ให้ได้จากนั้นนางต่อมาผู้แม่พ่อก็เลยมอบให้เป็นหน้าที่ของอาน้องชายของพ่อน้องชายของพ่อก็เลยพาเขาไปเสนอเป็นพญาอุเทนพระเจ้าเป็นดินพระเจ้าเป็นดินเทนนะโอชอบใจสวยงามจริงๆก็เลยรับไว้เป็นอัคคมหสี คนที่สองพอสมัยนั้นก็คือพระชาวเป็นดินมีขนมนาลีมีมากจากนั้นพอได้เป็นผู้ใหญ่หก็มีอํานาจขึ้นมาอยู่ในเวียงวังพร้อมที่จะแสดงลวดลายอะไรได้ละทแนี้พระพุทธเจ้ากับพระสงค์ไปบิณฑบาตอยู่ในกรุงอุตเชนีและอุกงเนี่แยแหละไอ้หลวงพ่อไปจําเมืองไม่ได้พ่อไปถึ ง, งนั่นแหะ นางเห็นเท่านั้นโอ้ส ม, มณะองนี้แหละที่ดูถูกเจ็ดหยามเราเอาเถอะเราจะจัดการจากนั้นก็ไปว่าจ้างคนง ไ, ไ, ไปว่าจ้างให้คนทั้งเมืองดา่าพระพุทธเจ้าเอ อ, อันไหนคนําไหนเจ็บเจ็บแสบแสบโกนมาด่าทั้งบดอันไหนคาไหนที่อั ป, ปมงคลจริงงที่มันไม่ดีส ม, มณะโหโลนส ม, มณะขอทานส ม, มณะอะไรลักษณะอย่างนั้นออันนี้นก็จ้างคนค้นกระดาษที่คนอยากได้เงินใช่ไหม เขาดา่าทั้งบ้านทั้งเมืองพระพุทองค์กับพระสงฆ์ไปบินถบัตที่ไหนเขาดา่าแต่ผู้มีศรัทธาที่เป็นพระอรียาบุคคลพระโสดาบันเขาไม่หวั่นไหวเลยผู้ที่เขานับถืออย่างลึกซึ้งแล้วเขาไม่หวั่นไหวถึงใครจะด่าก็ดา่าเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าอย่างเกา่าเหมือนกับแท่งทองทองคำนะํำถึงจะเอาขี้เอาเยี่ยวเอาอะไรมาลดกับเป็นแท่งทองแท่งอย่างเกา่าเป็นทองคําอย่างเกา่าไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่น เขากาะดาทั้งบ้านทั้งเมืองพระอานุน์ก็บอกขอพระองค์กลับไปเมืองอื่นท้อนกับผมเน่ยเพราะเมืองนี้เขาดา่าทั้งบ้านทั้งเมืองดูแล้วมันทําไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยมีมันไม่เคยเป็นเมืองอื่นเขาเขารบนับถือเรื่องใสมีตั้งเยอะแยะขอพระองค์พระเจดจไปเมืองอื่นเถินพระพุทธองค์บอกไปที่ไหนล้วอ น, นุ์ไปเมืองนู้นแล้วสวัตถีสาเกตกกสัมพีพราราสีกุงราชาคือเน่ย ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพระพุทธองค์นี่ต่างแยะๆเขาไม่ได้ด่าอย่างนี้อันนี้เนะี่ยเขาด่าอยู่อย่างนี้โอ้กับผมทนไม่ไหวละทําไมด่าหยาบคายถึงขนาดนี้เราไม่ได้ทําอะไรให้กับเขาถ้าไปเมืองน่าไปเมืองอื่นเขาด่าอีกไปเมืองไหนทีแรกจะไปเมืองสวัสดีเนีถ้าเมืองสวัสดีเขาดา่าละอนุไปสาเกตสาเกตเขาดา่าเลยโกสัมพีเนีไปพาลา้านสีไปกุงราดจะคื ไล่ไปเรื่อยจนเมืองเขาไม่ด่าพระเจ้าขานะ่าเ อ, อ้ยอาโ น, นนะเขาด่าเขาเป็นปากของเขาเดี๋ยวอีกนี่ไปให้ทนเอาไว้เจ็ดวันพระพุทธองค์ไปอยู่ในสถานที่ใดเขาจะด่าเพียงเจ็ดวันแล้วความด่านั้นจะหายไปเองอันนี้ถ้าคอยอดทนไปสักหน่อยถ้าไปเรื่อยๆจะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายถูกเขาดา่าพอด่าเสร็จแล้วก็ไปบ้านท่านถูกเขาด่าไปบ้านผลี่สุดไม่มีที่จะอยู่ในโลกน ถ้าเขาด่าแล้วต้องให้เขาพิสูจน์ว่าเขาด่านั้นเป็นยังไงเป็นความจริงไหมที่เขาด่าต้องอยู่ที่นั่นซะก่อนจนหายเขาด่าซะก่อนจะไปที่ไหนค่อยไปอันพระพุทธเจ้าท่านให้คําแนะนํากับพระโสงฆ์จากนั้นพระองค์จะเด็จอยู่ประทรับอยู่ในเมือง น, ะนะนะั้นแะเจ็วันจนเขาเงียบสงบพอเงียบสงบพระองค์ก็เห็นว่านั่นก็ได้โผล่ที่เจเดจไปเมืองอื่นอ่นะนี่แหละต่อมานาง มาคันเดียก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นอยากจะฆ่าอากามาเหสีใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าว่าไม่จัดการกับพวกนี้ซะก่อนไม่ได้เดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะเด็จกับเมืองนี้อีกนี่ยแหละนางนี่คิดใหญ่มากผลที่สุดก็เลยเผานางสามาวดีทั้งบริวารตายทั้งห้ารอคนในปราศาสตร์ผลที่สุดก็พระเจ้าเป็นดึงรู้เข้ากว่าใครมันเรื่องราวมันเป็นยังไง เลยจับนางคนนี้กับบริวานีเผาอีกเหมือนกันฆ่าทิ้งอีกเหมือนกันขุดหลุมฝังเสร็จแล้วเอาฟังเผาเสร็จแล้วถ่ายเหล็กถ่ายอีกโอ้ก็เป็นอ น, นว่าเวรไม่แล้วครับเพราะการจองเวร น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือนางคนนี้นะผูกอาฆาตกับพระพุทธเจ้าบาปกรรมตัวนั้นก็นเลยเข้ามาหาตัวเองแต่ตามไม่จริงที่พระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์พูดเป็นธรรมกั ผู้ใดสำเร็จเกิดได้สําเร็จคือพ่อแม่ได้สําเร็จแต่โรกสาวนี่เองมันตีเข้าข้างตัวเองถ้าหากว่าไม่ตีเข้าข้างตัวเองก็เออพระพุทธองค์ท่า น, นเป็นธรรมร่างกายสังขารมันก็ไม่ใช่ของกีรังถาวอรจริงๆของอสุภะปฏิคุลจริงๆทุกคู่ทุกคนทุกลูกพวกนามเกิดมาในโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้จะเป็นของเสร็จสวยงดงามได้ยังไงเสร็จสวย ง, งามคือเป็นผู้เศษขึ้นมาเท่านั้นเองว่าสวยงามแต่ตัวทามเนื้อแท้จริง อะไรคือสวยงามในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหอยใจตับผังผืดไตปวดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าออกมาสิอันไหนที่ของสวยงดงามในร่างกายของเราไล่เลียงออกมาสิอันไหนสวยอันไหนงามถ้าพิจารณาตามำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมันไม่ใช่ของสวยงาม แต่เรามองข้างนอกทานเองว่าเป็นของสวยงามเพราะกิเลสราคะของเราเข้าไปสาปทาเข้าไปยึดมั่นเข้าไปให้ความสำคัญร่างกายก็เลยสวยงามเพราะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่วาจาเนี่ยวาจาทิดาเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมอีกต่างหากพรด่าไม่ถูกเยเพราะความอิจฉาอยู่ในใจซะก่อน มีความโกรธอยู่ในใจซะก่อนมีความพยาบัณฑอยู่ในใจซะก่อนมีความไม่พอใจอยู่ในใจซะก่อนเนี่ยยังค่อยขาวิธีตัวเองด่าคนเดียวยังไว้แล้วนะยังไปจ้างให้คนอื่นด่าอีกอันนี้ก็เหมือนกันเนะีะถ้าพวกเราคิดอยู่ในใจอย่างไว้แล้วจังไปช่วนให้คนอื่นมีความเห็นด่าอีกด่าครูบาอาจารย์ด่าผู้ท่านเจตนาหวังดีถ้าไม่รู้แจ้งเนี่ยก็ต้องถามไถ่ซะก่อน เรื่องรามันเป็นยังไงศึกษาซะก่อนไม่ใชยัยหวดหลวงป่าก็พูดไปเรื่ปรามไปเรื่อยฮะคนที่ฉุดนี่แหละหลวงพ่อว่าใครก็ตามนะทำบาปกรรมทางวาจาเดี๋ยวมะเร็งกินปากหลวงพ่อวานไะ อ, อ้วันนี้ก็ให้แนวความคิดสําหรับพวกเราหลวงพ่อไม่ได้ว่าผู้ดใดใครผู้หนึ่งนะหลวงพ่อพูดเป็นกลางที่สุดถ้าคนไหนพูดไม่ถูกคิดไม่ถูกทําไม่ถูกคนนั้นละ่ะมันไม่ถูกว่า จะถูกได้ยังไงเพราะคิดก็ไม่ถูกทําก็ไม่ถูกพูดก็ไม่ถูกจะว่าถูกได้อย่างไรมันไม่ถูกถูกก็เลยถูกคือหลักธรรมพินัยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คิดดีพูดดีทําดีนั่นแหละคิดถูกพูดถูกทาถูกดีอยู่ที่ไหนเป็นฉุขทั้งหมด